แล้วเราได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและเราได้ตัดขาดถึงคนสุดท้ายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราและมีเคยปรากฏว่า بنتو تسطع. وإلى و بنتو ا ت م و د أخاهم صالحا قال يا قوم ا ع ب د و ا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينتم ن ربكم هذه ن ا ق ت الله لكم آية และยังกลุ่มชนสมูทนั้นเราได้ส่งซอเละซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพพักดีต่อลอดเถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสการะใดๆ สำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แน่นอนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อวยบานมาอย่างพวกเจ้าแล้วนี่คืออูดตัวเมียของอัลลอ์โดยเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปล่อยมันหากินในแผ่นดินของอัลลอฮ์เถิดและจงอย่าแตะต้องมันโดยการทำร้ายใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้การลงโทษอันเจ็บแสบประสบกับพวกเจ้า و َ ذ ك ر و ا إِذْ ج َ ع ل َ ك ُ م ْ خُلَفَاءَ مِن ب َ ع د ِ ع َ ا د و َ ب َ و َ أ ك ُ م ْ فِي ا ل أ َ ر ض ِ ت َ ت َّ خ ِ ذ و ن َ مِن س ُ ه ُ و ل ه َ ا ق ُ ص ُ و ر ا تَتَّخِذُونَ مِن س ُ ه و ل ِ ه َ ا ق ُ ص ُ و ر ا و َ ت َ ن ح ُِ و ن َ ا ل ج ب ا ل َ ب ُ و ت ا และพวกเจ้าจงดําลึกเถิขดขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบช่วงแทนต่อมาหลังจากชาวอาร์ตและทรงได้ให้พวกเจ้าตั้งหลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินส่วนนั้นโดยเอาจากที่ราบของมันเป็นวังและสะกัดภูเขาเป็นบ้านพวกเจ้าพึงดําลึกถึงความเมตตาอัลลอฮฺเถิด และจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่นทำลาย。 บรรดาผู้นำที่แสดงโอหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอที่เป็นผู้ที่ศรัทธาในหมู่พวกเขาว่าพวกเจ้ารู้ดีว่าซแลนนั้นเป็นผู้ที่ถูกส่งมาจากพระผู้อภิบาลของเขาจริงพวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่เขาถูกให้นามา บรรดาผู้ที่แสดงโอหังกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธาแต่กลันนาขตวทัวังถัอมริรับบิหัมว่าลูยัยัลัลัหตีนาบิมาตดูน และพวกเขาก็ตัดขาอูตเมียตัวนั้นและได้ละเมิดคำสั่งแห่งพระผู้บานของพวกเขาและได้กล่าวว่าโอซอละจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญาแก่พวกเราไว้มาให้แก่พวกเราเถิดถ้าหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกส่งมาเป็นศาสนาทูตจริง ف ف แล้วความไหวอย่างแรงของแผ่นดินก็ได้ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเองและทวกละกันฮุม وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ا ل ن ص ل ح ي ن แล้วเขาก็หันออกไปจากพวกนั้นแล้วกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้ประกาศสาระแห่งพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกเจ้าแล้วแล้วฉันก็ได้ชี้แจงแนะนำแก่พวกเจ้าด้วยแต่ทว่าพวกเจ้าไม่ชอบบรรดาผู้ที่ชี้แจงแนะนา และจงรำลึกถึงลูตขณะที่เขาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจะกระทำสิ่งชั่วหน้าดังเกียรติซึ่งไม่มีคนใดในสากลโลกได้เคยทำมันมาก่อนพวกเจ้ากระนั้นหรือ อินนามละทเอตุนอัลร و ยาล์ชหัวต์มินดูลนิสาบัลอาตุมควอุมมุสรฟูนพจพวกเจ้าจะสมสู่เพศชายด้วยตัณหาราคะอื่นจากเพศหญิงยิ่งกว่านั้นพวกเจ้ายังเป็นพวกที่ละเมิดขอบเขตอีกด้วย ا أ และคำตอบของกลุ่มชนของเขานั้นไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากการที่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงขับไล่พวกเขาออกไปจากเมืองของพวกเจ้าเสีย ถ้าจริงพวกเขาเป็นพวกที่สะอาดบริสุทธิ์ลและเราได้ช่วยเขาและครอบครัวของเขาให้รอดพ้นนอกจากพัญญาของเขาเท่านั้นซึ่งนางปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่คงอยู่ และเราได้ฝนตกลงมาบนพวกเขาแล้วเจ้าจงดูเถิดว่าบ้านปลายของบรรดาผู้ที่กระทำความผิดนั้นเป็นอย่างไร。 าลา ย, ลาาลยเมืองมัดยันนั้นเราได้ส่งโชอิบซึ่งเป็นพี่น้องพวกเขาโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน จงเคารพพักดีต่อล้อเถอิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสการะสําหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แต่จริงได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องช่างเถิดและจงอย่าให้ขาดแก่ผู้อื่นซึ่งบรรดาสิ่งของของพวกเขาและจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินหลังจากที่มีการแก้ไขให้ดีแล้ว นั่นแหละเป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเจ้าหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา และพวกเจ้าจงหย่านั่งตามทางโดยทําการขู่และสะกัดกั้นผู้ศรัทธาให้ออกจากหนทางของอัลลอฮ์และพวกเจ้ายังปรารถนาที่จะให้หนทางของอัลลอฮ์คดเคี้ยวและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจํานวนน้อยแล้วพระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีจํานวนมากขึ้น แล้วพวกเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบ้านปลายของผู้ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไร และถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันถูกให้นำมาและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ศรัทธาดังนั้นจงอดทนเถิดจนกว่าอัลลอดจะทรงชี้ขาดระหว่างเรา โดยที่โปรงนั้นคือผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ชี้ขาดทั้งหลายข้าว่าเ ل ล أ الذين استكبروا من قومه لا نخرجنك يا شعيب وال الذين آمنوا معك من, مع من قريتنا أو لا تعود الن في ملتنا قال أ َ و َ ل َ و ك ُ ن ك َ ذ ِ ه ِ บรรดาผู้นําที่โอหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแน่นอนเราจะขับไล่ท่านโอ้ชอยและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านออกไปจากตําบลของเราหรือไม่ก็ท่านจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในสิทธิของเราเขากล่าวว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบกระนั้นหรือ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 อาตะววรบบบฟหมุีแน่นอนเราก็ได้อุปโลกความเท็ฌให้แก่อัลลอฮหากพวกเรากลับไปอยู่ในลทัทิของพวกเจ้าหลังจากที่อัลลอฮได้ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากละทินั้นมาแล้วและไม่บังควรแก่พวกเราที่จะกลับไปอยู่ในละทินั้นอีกนอกจากอัลลอฮ เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเราจะทรงประสงค์เท่านั้นพระผู้อภิบาลของพวกเรานั้นทรงมีความรู้อย่างกว้างขวางทั่วทุกสิ่งแต่เอาลอดเท่านั้นที่พวกเราได้มอบหมายโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดชี้ขาดระหว่างพวกเราและกลุ่มชนของเราด้วยความจริงเถิดและพรุงนั้นคือผู้ที่ดียิ่งในบรรดาผู้ชี้ขาดทั้งหลาย และบรรดาผู้นำที่ปฏิเสธสัทธาจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามชูอยบแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ขาดทุนในทันที فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم แล้วความไหวอย่างรุมแรงของพผ่ดินก็ได้ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเขาตายในบ้านของพวกเขาอีกผ ي ้ที่ข้ ش มไปใน ك ี่ที่ไ و ا รู้จักผู้ที่ข้ามไปในที่ที่ไ ا ่รู้จัก บรรดาผู้ที่ปฏิเสธชอบิบและประหนึ่งว่าพวกเขามิเคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธชอบิบนั้นพวกเขาเป็นพวกที่ขาดทุนแล้วเขาก็หันออกไปจากพวกเขาและกล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉันแพ้จริงฉันได้ประกาศสาระจากพระผู้อวบานของฉันแก่พวกเจ้าแล้วแล้วฉันก็ได้แนะนำแก่พวกเจ้าแล้วแล้วฉันจะเสียใจต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธายังไง แ, إ أ และเราไม่ได้ส่งสาศาสดาคนใดไปในเมืองใดนอกจากเราได้ลงโทษชาวเมือง น, นั้นด้วยความแรนแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อม ภ า, ายหลังเราได้เปลี่ยนความดีแทนที่ความชั่วจนกระทั่งพวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและพวกเขากล่าวว่าแท้จริง ความเดือดร้อนและความสุขสบายได้ประสบแก่บรรพบรุษของพวกเรามาแล้วแล้วเราจรึงได้ลงโทษพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวบ และหากว่าชาวตำบล น, นั้นได้ศรัทธาและมีความยำเกรงเราไซแน่นอนเราก็เปิดความเพิ่มพูลจากฟากฟ้าและแผ่นดินให้แก่พวกเขาแล้วแต่ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขา แล้วชาวตะบนนั้นได้ปลอดภัยขณะดนั้นหรือจากการลงโทษของเราที่จะมาอย่างพวกเขาในเวลากลางคืน ขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่และชาวตำบลนั้นปลอดภัยกณะ น, น, นั้นหรือจากที่การลงโทษของเราได้มาอย่างพวกเขาในเวลาสายขณะที่พวกเขากำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่ แล้วพวกเขาได้ปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์กระนั้นรือไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์นอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้น แล้วก็ยังไม่ได้ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้รับแผ่นดินสืบทอดหลังจากเจ้าของมันดอกหรือว่าหากเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาแล้วเราก็ได้ให้ภัยพิบัติประสบแก่พวกเขาหนึ่งโดยบาปกรรมของพวกเขาและเราจะประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้ยิน บรรดาตำบนเหล่านั้นแหละเรากำลังเล่าให้เจ้าทราบถึงข่าวคราวของมันและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้นาหลักฐานอันชัดแจ้งมายัางพวกเขาแล้ว แต่แล้วใช่ว่าพวกเขาจะศรัทธาต่อสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธมา ก, ก่อนก็หาใหม่ในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงประทับตราบนหัวใจของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและเราไม่พบว่ามีสัญญาใดๆสำหรับส่วนมากในหมู่พวกเขา และแน่นอนเราได้พบว่าพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิมมดแล้วหลังจากพวกเขาเราได้ส่งมูซาและสัญญาณต่างๆของเราไปยังฟิรโอดและบรรดาบุคคลชั้นนำของเขา แต่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณเหล่านั้นดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบรรปลายของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไรและมูซาได้กล่าวว่าโ oh, อ้ฟิรูุนแท้จริงฉันคือศาสนาทูตที่มาจากพระผู้อภิบาล ห่งสาโลโลกเป็นความถูกต้องในการที่ฉันจะไม่กล่าวเกี่ยวกับอัลลอ์นอกจากความเป็นจริงเท่านั้นแท้จริง ฉันได้นำหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงมอบวงวานอิสรินไปกับฉันเถิดเขากล่าวว่าหากท่านได้นำหลักฐานใดๆมาก็จงนำมันมาเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผูพ้พูดจริง แล้วเขาได้โยนไม้เท้าของเขาไปแล้วทันใดนั้นมันก็กลายเป็นงูจริงๆและเขาได้ชักมือของเขาออกแล้วทันใดนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ บรรดาผู้ที่มองดูอูบรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิโร อ, อุนได้กล่าวว่าแท้จริงผู้นี้คือนักมายาคนผู้รอบรู้เขาต้องการที่จะขับไล่พวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินของพวกเจ้า ดงนั้นพวกเจ้าจะใช้ให้ทำสิ่งใดพวกเขากล่าวว่าจงประวิงเวลาแก่เขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปรวบรวมนักมายากนในเมืองต่างๆเอาไว้ พวกเขาก็จะนำมายัางท่านซึ่งนักมายาคนที่รอบรู้และบรรดาห น, นักมายาคนก็ได้มายัางฟิรูอูนโดยกล่าวว่าแน่นอนพวกเราจะต้องได้รางวัลถ้าพวกเราเป็นผู้ชนะ عم, ฟาโร่โกล่าวว่าใช่แล้วและแท้จริงนั้นพวกเจ้าจะได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ใกล้ชิดกับเราพวกเขากล่าวว่าโอมูซา ท่านจะโยนก่อนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อนเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงโยนก่อนเถิดครั้นเมื่อพวกเขาได้โยนออกไปพวกเขาก็ลวงตาผู้คนและทำให้พวกเขากลัว และพวกเขานั้นได้นำมาซึ่งมายากลอันใหญ่หลาอและเราได้มีองค์การแก่มูซาว่าจงโยนไม้เท้าของเจ้าแล้วทันใดนั้นมันก็กลืนสิ่งที่พวกเขาลวงตาเอาไว้ และความจริงก็ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขากระทำขึ้นก็ตกไปแล้วที่นู่นหละพวกเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้และกลายเป็นผู้ต่ำต้อยไปและบรรดานักมายากลก็ถูกทำให้ล้มตัวลงกราบ โดยยอมรับความจริงอดบ บ, บ, บมีรบมูซวรูด้วยกล่าวว่าพวกเราได้สัทธาแล้วต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูสาและหารูนาลฟิรฺอูอามนตุบิฮิกบลอันอาดนละกุม م م و و ฟรุอุนกล่าวว่าพวกเจ้าสัทธาต่อเขาก่อนที่ข้าจะอนุมัติแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงนี่คืออุบายหนึ่งที่พวกเจ้าได้วางแผนมันไว้ในเมืองเพื่อที่จะขับไล่ชาวเมืองให้ออกไปจากเมืองเสียแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ มมนนข้าสาบานว่าข้าจะตัดมือและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกันแล้วข้าจะตรึงพวกเจ้าทั้งหมดไว้ที่ต้นอินทพะหลัู พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราจะเป็นผู้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของเรา และท่านจะไม่แก้แค้นเรานอกจากว่าเราศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้วิบาลของเราเท่านั้นเมื่อมันได้มาอย่างเราโอ้พระผู้วิบาลของเราโปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราได้เถิดและโปรดให้เราตายในฐานะเป็นมุสลิมด้วย และบรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรูฮ์ได้กล่าวว่าท่านจะปล่อยมูซาและพวกพ้องของเขา ไว้เพื่อก่อความเสียหายได้แผ่นดินและละเมิดต่อท่านและบรรดาที่เคารพสการะต่อท่านกระนั้นนึกเฟรดูลกล่าวว่าเราจะฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเขาและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเขาและแท้จริงเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขา นนยยมูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และจงอดทนเถิดแท้แจริงพัดดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์ซึ่งพระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พระองค์ส่งประสงค์จากพวงบ่าของพระองค์ และบ้านปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ยำเกรงทั้งหลายพวกเขากล่าวว่าพวกเราได้รับการทารุนทั้งก่อนจากที่ท่านจะมาอย่างพวกเรา และหลังจากที่ท่านได้มาอย่างพวกเรามูซากล่าวว่าหวังว่าพระผู้วิบาลของพวกเจ้าจะทรงทำลายพวกศัตรูของพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าสืบช่วงแทนในแผ่นดินและพระองค์จะทรงดูว่าพวกเจ้าจะทำอย่างไร และแน่นอนเราได้ลงโทษ ว, วงวานของฟิรูนด้วยความแห้งแล้งและการขาดแคลนผลไม้ต่างๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้รดาาดับริด فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإلتصبهم سيئة هي الطيرو بموسى وممّع ألا إنما طائرهم ออลุครั้นเมื่อความดีได้มายัางพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิทธิ์ของเราและหากความชั่วใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็ถือเอานบีบูซาเป็นลางร้ายและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาด้วยพึงรู้เถิดว่าที่จริงลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ต่างหากแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ แลวพวกเขากล่าวว่าท่านจะนำสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดมายัางพวกเราเพื่อที่จะลวงเราให้หลงเชื่อต่อสัญญาณนั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่าน ا ا แล้วเราได้ส่งน้ำท่วมและตะกแะตนและเหาและกบและเลือดมาเป็นสัญญาณอันชัดเจนแก่พวกเขาแต่แล้วพวกเขาก็สแสดงโอหัง และได้กลายเป็นกลุ่มชนที่กระทำความผิดแล้วเมื่อมีการลงโทษเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มเสา จงขอต่อพระผู้ิบาลของท่านให้เราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ที่ท่านเถิดหากท่านได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากเราแล้วแน่นอนเราจะศรัทธาต่อท่านและแน่นอนเราจะส่งวงวานอิสรินไปกับท่านฤฤฤ ครั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากพวกเขาไปยังกำหนดหนึ่งซึ่งพวกเขาไปถึงกำหนดนั้นแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา